มีชาวบ้านคนหนึ่งอายุก็มากแล้วอยู่ที่จังหวัดตรังนะอำเภอสิกเกาเป็นคนยากจนนะไม่มีที่ทำกินรับจ้างนะทำสวนหรือว่าแล้วแต่ว่าจะมีใครจ้างให้ทำงานอยู่คนเดียวมีบ้านหลังเล็กๆไอ้แกเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะแล้วก็มีน้ำใจ วันพระก็ไปช่วยหลวงพ่อช่วยพระช่วยงานวัดเป็นประจำไม่ได้ขาดชาวบ้านคนไหนมาขอร้องให้ไปช่วยทำอะไรบางทีไม่ได้ให้เงินแกก็ยินดีเพราะเป็นที่รักของชาวบ้าน แต่แกก็อยู่ยังขัดสนนะเพราะเป็นคนที่ไม่คิดจะเอามีแต่จะให้ยกตัวหนึ่งก็ฝันนะฝันว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งในฝันมันชัดเจนมากนะอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอแก้งครอสต้นคนไม้เนี่ยคนต้นไม้เนี่ยเนี่ยก็ ในฝันนี่มันก็บอกชัดเจนเลยนะมีสมบัติฝังอยู่งโคนต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นในฝันนี่ยังเห็นชัดเลยนะว่าอยู่ใกล้ไม่ไกลจากศาลเจ้าศาลเจ้าของคนจีนชุดแรกแกก็ไม่ค่อยได้สนใจนะเพราะจะเอาอะไรความฝัน แต่รองก็ฝันอยู่เรื่อยๆไนงะแทบทุกคืนเลยภูมิรับที่ฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สารเจ้าพอฝันติดต่อกันหลายคืนเนี่ยแกก็เริ่มจะสงสัยแล้วนะเอ๊ะทำไมถึงฝันอย่างนี้บ่อยๆตัวแกเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องของโชคลาภอะไรถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเอาไปตีเป็นหวย แต่ว่าแก่ก็ไม่ได้สนใจแต่ก็เอดใจนะว่าฝันอยู่เรื่อยๆติดต่อกันและเป็นฝันที่ชัดเจนรายละเอียดก็มากก็เลยสงสัยว่าเทวดาคงจะมีอาจจะให้นิมิตอะไรแก่แก่บางอย่างงั้นแกก็เลยตัดสินใจนะวันหนึ่งเนี่ย ออกเดินทางแกไม่รู้จักอำเภอแก้งคอ้อนนะถามใครสุดท้ายก็ได้ข่าวว่าอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอีสานไม่เคยไปวกว่าจะไปถึงชัยภูมินี่ไม่ใช่ง่ายนะจากสิกเกามาถึงกรุงเทพนี่มันก็เป็นวันแล้วแลแกก็ไม่ค่อยมีเงิ น, น, นก็เรียกว่า ลำบากระบนทีเดียวแต่ก็ยอมยอมไปนะก็อยากจะรู้ว่ามันจริงอยากจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันฝันพ่ออะไรนะทาไมหรือว่าเทวดาโดนใจให้ทำอะไรบางอย่างก็ใช้เวลาสองสาวันนะ้วก็จะถึงแกงครอเนี่ย ไปถึงเนี่ยเห็นที่ว่าการอำเภอเนี่ยมันก็ชัดเจนมาในฝันเลยเดินต่อไปอีกหน่อยก็ก็ไปเห็นมุญในที่แห่งหนึ่งมุญที่ของของจีนนะพุทธธรรมสถานภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนในฝันเลยเหลือไปมองสึ่งหนาอ ก, ก็เห็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ ตรงกับที่ฝันเลยแสดงว่ามันคงไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระเดี๋ยวอยากจะรู้นะว่าใต้โคนไม้นั้นน่มันมีขนกลมทรัพย์จริงหรือเปล่าจะไม่ได้โลภนะแต่แกอยากจะรู้ว่าอะไรคือเหตุให้ฝันอย่างนี้ แต่ว่าก็ไม่สามารถจะไปนะขุดที่โคนต้นไม้นั้นได้เพราะมีรอปภอยู่คนหนึ่งเฝ้าสารเจ้าเนี่ยไว้อยู่ข้างหน้าสารเจ้าแกก็กลัวนะกลัวว่าคืนไปสุ่มทําอะไรซุ่มเสือซุ่มผ้าเดี๋ยวรอปภจับยวก็อยู่รอรอจนรอปภ กลับบ้านจะได้นะอุดห า, าความจริงสักทีว่ามันคืออะไรกันแน่ส่วนเราพอนี่ก็เห็นกันตั้งแต่เช้าให้ชาวบ้านดูโสมโสมเนี่บ่ายก็ยังไม่ไปไหนจนเย็นก็สงสัยในชาวบ้านคนนี้นี่เป็นขโมยหรือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าประสงค์ร้าย มีวางแผนอะไรไหมดูมีพิรุษเพราะไม่ยอมไปไหนเลยก็อยู่แต่บริเวณนั้นะสุดท้ายราปภก็เลยเดินไปหาตำมานเนี่ยชายแก่คนนี้ตำหมานนี่แกก็กลัวนะพเพราระรปภทาท่าจะจับแกแกก็เลยพอรปภถามเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้ขโมยหรือเปล่า ด้วยความซื่อนะตำหมานแกก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ยที่แกมาเนี่ยเพราะว่าแกฝันแทบจะทุกคืนเลยนะว่าใตา้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ศาลเจ้าจีนเนี่ยนะมันมีสมบัติมหาศาลเลยซุกซ่อนอยู่แกก็เลยอยากมารู้ความจริงว่ามันอะไรกันแน่พอเล่าเช่นนี้เนี่ย เราพอคนนั้นก็หัวเราะขึ้นมาเลยบอกว่าลุงเนี่ยจะอะไรความฝันนะถ้าผมเชื่อความฝันนะฝันนี้ผมไปแล้วจังหวัดตรังเพราะว่าผมฝันเนี่ยหลายคืนมาเนี่ยนะว่ามีชายแก่มีฟันเห็นบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ที่สิเกาเนี่ยจังหวัดตรังเป็นบ้านโสม คนเท่นั้นก็บอกเนี่ยเป็นบ้านของตำหมานแล้วก็ในฝันน้วยนะมันเห็นชัดเลยนะใต้ที่นอนเนี่ยของตำหมานเนี่ยมันมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ถ้าผมเชื่อความฝันนะผมจะอยู่นี่ทำไมผมไปแล้วนะแต่ใครจะเชื่อความฝันนะโง่เลยนะเชื่อความฝัน เึินไปถึงนั่นก็เสียเวลาเปล่าๆราพอพ่อพุนิ้แกก็เอ็ดตามหมายก็เอ็ดใจเลยนะถามว่าบ้านที่แกเห็นในฝันนี่เป็นยังไงรพอพอพก็บรรยายภาพในฝันเนี่ยมันตรงกับบ้านางแกเลยนะบ้านโสมๆแล้ำก็ตรงนะหลายอย่างนะสีเกา่าจังหวัดตรัง บ้านของตำห ม, มานแล้วพอนั่ยก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตำห ม, มานเนี่ยกลังอยู่ต่อหน้าแกแล้วพอไม่ได้ถามชื่อแท่แต่ฝันของแกนี่มันตรงมากเลยนะก็เลยเอ็ดใจนะก็เลยตัดสินใจไม่ขุดละไอ้ต้นไม้เนี่ยไม่สนใจแล้วโขนไม้ตายต้นไม้เนี่ยมีอะไร แกกลับไปที่บ้านเลยและแกก็เริ่มนะขุดกระเทาะนะพื้นใต้ที่นอนแกเพราว่าเจอกับขุมทรัพย์นะโอ้ยทองมีค่าประมาณไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเลยนะจากขุมทรัพย์ที่ ซุกซ่อนอยู่ใต้บ้านอย่างแกแต่อมาในแกนอุตส่าห์เดินทางไปถึงชัยภูมิหนึ่งแก้งครอนะเพื่อที่จะมาพบความจริงว่าไอ้ขุมทรัพย์แท้จริงมันอยู่ใต้บ้านกันเองบางครั้งคนเราเนี่นก็ต้องเดินทางไกลนะเพื่อจะมาค้นพบว่าที่แท้เนี่ยตัวเองอนอนทับขุมทรัพย์อยู่ มีหลายคนนะที่แสวงหาแสวงหาสิ่งที่สําคัญของชีวิตแล้วก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลสุดท้ายก็พบ ว, ว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่ใจของตัวนี่แหละแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะเดินทางกันมาจากที่ไกล บางคนก็อยากจะมาพบอยากจะมาเจอนะความสงบอยากจะมาเจอนะนะสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามาเพื่อเรามาจากที่ไกลเพื่อที่จะพบว่าไอ้สิ่งมีค่าที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นานที่ใจเรา พวกนี้ก็ไม่มไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้หมายความจะเสียเวลานะไม่ได้หมาวาม่าจะเสียเวลาอุตสาห์เดินทางไกลามาถึงนี่เพื่อจะพบว่าที่แท้สิ่งมีค่าที่สุดนี่มันก็อยู่ใจของเราบางครั้งเราก็ต้องเดินทางไกลเพื่อจะพบนะถึงคุณค่าที่แท้จริงในในใจของเราก็เกัตัมมานะอุตส่าห์เดินทางไกลเนี่ยไปถึงชัยภูมิเพื่อจะพบว่าที่แท้คุมทรัพยมันอยู่ นะสุกซ่อนอยู่ใต้บ้านอย่างนี้องบางทีการเดินทางไกลนี่ก็จำเป็นนะเพื่อที่จะพบว่าสิ่งทสำคัญที่สุดนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจของเราถ้าไม่เดินทางมาก็อาจจะไม่พบนะหลายคนไปคิดว่าในความสุขนี่มันอยู่นอกตัวต้องไปสแสวงหา ในที่ไกลๆ ไ, ไปสขอความสุขอย่างต่ำๆก็ไปขอความสุขห้างสรรพสินค้าผับบาร้านอาหารหรือบางทีก็ไปไกลนะถึงโน่นต่างประเทศปีนเขาหรือว่าไปเกาะแก่งที่เขาลือกว่างดงาม เพื่ออะไรเพื่อสังหาความสุขบางคนก็ไปสังหาความสงบนะอยากไปหาความสงบนึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งนะตอนที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยก็ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกาช่วงนั้นประมาณสักห้าสิปีมาแล้วนะ วันหนึ่งเนี่ยทางหมายเฉลัยก็แจ้งมาติดต่อท่าบธรรมนักศึกษาหนุ่มคนนี้บอกว่าทางหมายเฉลัยได้นิมนต์พระธิเบตนะมาแสดงธรรมแต่ว่าขาดอุปถากนะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาจะให้บริการหรืออุปถาก พระเวียนอพระที่เบตเนี่ยทําทำ้เป็นประดักประเดิกพอร่ว่ามีนักศึกษาไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดูแลพระที่เบสได้ีนักศษาหนุนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธนะแต่ว่ายินดีนะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือ พระอยู่ละพราทิเบตก็เวลานั้นเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่ตอนนั้นทิเบตเนี่ยศาสนาพุบบทธทิเบตก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักในอเมริกาเท่าไหร่ยังไม่ได้ดังเหมือนสมัยนี้ท่านะระมะ ก, ก็ยังไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันเนี้เพราะนั้นเขาก็เลยไม่รู้ธรรมเนียมการดูแลต้อนรับพระทิเบตก็ต้องให้นักศึกษาไทย ริมโพชัท่านนั้นก็อยู่หมายถ่ายสอนแสดงธรรมประมาณสองสมวันนะนักศึกษ า, าไทยก็มีอกาสได้ฟังท ร, ร ม, มากก็ทราบซึ้งแล้วที่ทราบซึ้งยิ่งขึ้นคือวัดปฏิบัติของพระธเบเรท่านเนี้ยท่านสมรวมสงบแต่ว่ามีอารมณ์ขันยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ได้เคร่งขรึม เป็นกันเองเกิดประทับใจแลวที่ประทับใจมากคือได้สัมผัสความสงบในตัวท่านเมื่อวันที่พระธิดา เ, เนี่ยจะกลับอินเดียคงจะกลับไปธรรมศาลานล้ศสายหนุ่มคนนั้นก็ ป้าเรากับท่านลินโปเชวะเนี่ยถามว่าผมเนี่ยเรียนจบกลับไปเมืองไทยแล้วจะขอโอกาสเนี่ยไปพักที่สำนักของท่านสักระยะหนึ่งจะได้ไหมท่านบอกยินดีเลยแต่ท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วที่จะไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไร นักศานุ่นก็บอกว่าผมอยากจะไปหาความสงบครับพระที่แบบท่านนั้นเนี่ยเพื่อขึ้นมาสองสามประโยคที่นักศานุ่งไม่ลืมเลยนะจะบอกว่าเนี่ยคุณอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วคุณไม่พบความสงบที่นั่นนะ น, นะคุณไปวัดตมาคุณก็ไม่พบเหมือนกันก็เรียกว่าทำให้นักศานุ่งนนั้นเนี่ย นิ่งนะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรแต่ว่าก็ทำให้กลับมาคร่ครวรสุดท้ายเนี่ยพอเรียนจบเรียนเ อ, เอกกลับไปเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปอยู่กับท่านเรียนโปรเชกเลยนะเพราะว่า ได้ข้อคิดที่สําคัญจากท่านมากนะว่าถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองไทยไม่พบความสงบเนี่ยไปสํานักของท่านก็ไม่เจอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคนเราเนี่ยมักจะคิดไปหาความสุขไปหาความสงบเนี่ยจากข้างนอกบางทียอมเสียเงินเสียเวลามากมาย เสียเงินทองมากมายนะเพื่อไปหาความสงบแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสงบที่แท้ก็ไม่ได้ที่ไหนที่ใจเราถ้าความสงบนี้จะถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีค่านะก็ว่าได้นะเพราะสมัยนี้เนี่ยแม้ผู้คนจะมีเงินทองมีความสำเร็จในชีวิตมากมายแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่าง นั่นคือขาดความสงบและความสงบก็พบได้ที่ในใจไม่ใช่จากที่ไหนบางทีเราต้องเดินทางไกลนะมาถึงนี่เพื่อที่พบว่าไอ้ความสงบที่เราสแสวงหาที่จริงมันไม่ได้จำเป็นต้องมาไกลถึงนี่เลยก็ได้หรือว่าถ้าคิดจะมาหาจากสิ่งนอกตัวก็จะผิดหวัง แต่ถ้าสามารถจะเข้าถึงความสงบในใจได้นี่นั่นแหลนะนั่นจึงจะเป็นความสงบที่แท้จริงแต่มันก็แปลกนะแม้จะปรารถนาความสงบในใจแต่ยิ่งอยากจะพบอยากจะหาก็กลับไม่เจอนะ หลายคนมาภาวนามาปฏิบัติเพื่อจะหาความสงบอยากได้ความสงบแต่จริงอยากได้ก็กลับไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ความสงบในใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องหานะแต่เป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นมาความสงบจากสถานที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้ ถ้าออว่าได้สถานที่ที่เหมาะแต่ความสงบจากสถานที่มันก็ไม่ไม่ใช่ความสงบที่แท้เพราะวันดีคืนที่ก็มีเสียงดังเสียงก่อสร้างเสียงมาา้าเห่าหรือบางทีก็มีคนทะเลาะกันแต่ถ้าหากว่าไม่คิดจะหานะแต่ว่า ตรหนักว่าความสงบมันต้องสร้างขึ้นเหีือว่าความสงบในใจไอ้ความสงบที่สร้างขึ้นมานั่นแหละที่มันจึงจะเป็นความสงบที่แท้เพราะว่าถ้าเรารู้จักสร้างความสงบในใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็สงบได้แม้ว่ารอบตัวจะเสียงดังแม้ผู้คนจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันแม้จะมีคนพูดไม่ดีกับเราทาตัวน่าระอา แล้วก็ยังสงบอยู่ได้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นวิธีการมันเป็นหนทางนะในการที่จะเรียนรู้วิธีการสร้างความสงบในใจแต่ความสงบในใจเนี่ยนะอย่างที่บอกนะถ้าหากว่าเราตั้งความหวังว่าเนี่ยว่าจะมาปฏิบัติเพื่อความสงบเนี่ย การทีที่ตั้งความหวังนี้เนี่ยนะไอความสงบมันก็จะยิ่งอยู่ไกลาจากเราไปทุกทีผู้าหนัก็คือว่ายิ่งอยากสงบก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งห่างไกลาจากความสงบเวลาเรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะก็ดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางใจให้ดีนะว่าเราจะไม่ได้ ทำเพื่อความสงบที่จริงแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเราไม่ได้สอนให้มาปฏิบัติเพื่อความสงบนะเราสอนนะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเวลาคนนึกถึงความสงบเนี่ย เช่นความสงบในใจเนี่ยก็คือการไม่มีความคิดเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ความสงบก็จะมุ่งดับความคิดหรือกะจัดความคิดหรือบังคับจิตไม่คิดนถ้าคิดแบบนี้ก็จะผิดหวังเพราะว่าขืนทำอย่างนั้นบ่อย มันก็จะยิ่งฟุง้งยิ่งเครียดแต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยเออเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะมารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะวางรู้เพื่อที่จะไม่คล้องแวะกับมันต่างคนต่างอยู่ก็ได้อย่างนี้ความสงบเนี่ยก็ เป็นอันหวังได้ต้องตั้งนะตั้งจิตตั้งใจให้เสใหม่นะว่าเนี่ยเราจะมาเมื่อเรามาปฏิบัติที่นี่เราจะไม่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดนะเพื่อห้ามจิตไม่ให้คิดแต่เพื่อให้รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้น ในการที่เราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยสตินะและสติก็ทําให้เกิดความรู้สึกตัวแล้วถ้าเรามีสติความรู้สึกตัวนี่นะก็เท่ากับว่าเราได้รับเรามีขุมทรัพย์อันประเสริฐนะเรือว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขและความสงบที่แท้จริง ความสงบจากสถานที่มันเป็นสิ่งที่เปราะบางแต่ถ้าเรารู้จักสร้างความสงบให้เกิดขึ้นด้วยการมีสติมีความสึกตัวความสงบที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปได้นานแต่ว่าการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องยอมนะ ยอมให้ความคิดยอมให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นยอมให้จิตเนี่ยมันทะเลทลายออกไปนอกตัวเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันรู้ทันอาการของใจรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แทนที่จะมุ่งดับความคิดเรามาเรียนรู้การรู้ทันความคิดดีกว่า จริงๆนถ้าเทียบกันนะระหว่างการฝึกจิตให้ยิ่งหรือดับความคิดไม่ให้เกิดเนี่ยกับการมารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยอย่างแรกนี่ยากกว่าแล้วก็ยากมากๆเลยแล้วก็อาจจะสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นของไม่เป็นของเปราะบางมีอะไรมากระทบจิตก็กระเทือได้ง่าย ความสุบแบบนี้มันต้องไม่มีอะไรมากระทบต้องไม่ไปรับรู้อะไรทั้งสิน้นรับรู้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้อมูลข่าวสารต้องปิดหูปิดตาปิดโทรศัพท์ไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งนะก็คือมารู้ทันไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียง กระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันรู้ทันได้เพื่อรู้ทันเพราะมีสติและสตินั่นแหละเชื่อก็จะช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวได้เร็วคนเรานี่เป็นเป็นหนี้นะสติและความรู้สึกตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราอถ้าไม่มีสติไ ม, ม่ความรู้สึกตัวนี่เราป่านนี้เราคงแย่ไปแล้วหรือยแย่กว่านี้ อาจจะประสบอุปปติเหตุขณะขับรถอาจจะโดนรถชนขณะข้ามถนนหรือว่าอาจจะเผลอไผลไปทะเลาะบบาแวงกับผู้คนจกนกระทั่งต้องลงไม้ลงมือทำร้ายกันหรือเป็นท่าของสิ่งสิ่งยั่วยุและเ ย, ย้ยบบายวนเช่นใบยมุกต่างๆ่างตัวห น, นการที่เราไม่ไปตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ แล้วก็พาตัวมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีสติมีความรู้สึกตัวแต่ถ้าเรามีสติที่เร็วกว่า น, นี้ว่องไวกว่า น, นี้มีความรู้สึกตัวที่แจ่มชัดกว่า น, นี้นะเราจะได้พบสิ่งดีๆอีกมากมายที่มีคุณค่าต่อชีวิตถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยมันจึงเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมากนะทนเรื่องอริยทรัพย์ไม่ต้องไปสแสวงหาทรัพย์ที่ไหน เพราะว่าของดีมีอยู่แล้วในใจเราอยู่ที่ว่ามารู้จักแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราควรจะหวังได้จากการปฏิบัตินะหรือหวังได้จากการเดินทางมาปฏิบัติถึงที่นี่